มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาจตุทวักกัมมะนากรณะปัญหาที่สี่ถามว่า มนุษย์เกิดมาไม่เหมือนกันบางคนมีอายุน้อยบางคนมีอายุยืนเป็นต้นเพราะเหตุอะไรสมเด็จพระเจ้ามิรินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาฆาเสนาะฆ่าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าผู้ประกอบด้วยปัญญาอันประเสริฐมนุษย์ทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้มิได้เสมอกันอปาายุกาบางคนมีอายุน้อยบางคนเกิดมา ทีคายุกามีอายุยืนพระหวาภาทาบางคนมีอาภาษเจ็บป่วยมากอัปาภาทาบางคนมีอาภาษเจ็บป่วยน้อยอันเยทุพันนาบางคนมีผิวพันวันนะอันชั่วอันเย ว, วันนะวันตาคนอื่นบางพวกมีผิวพันวันณะอันงามอัเปสขาบางพวกมีอานุภาพน้อย มะเหสัขาบางพวกมีศักดานุภาพมากอัปะโพขาบางพวกมีสมบัติน้อยพระหุโพขาบางพวกมีสมบัติมากอัญเยนีจาคนอื่นบางพวกมีสกุลอันต่ำอัญเยอุจักุลิโนคนอื่นบางพวกมีสกุลอันสูงอัญเยทุปัญญาคนอื่นบางพวกมีปัญญาน้อยปัญญวันตา บางพวกมีปัญญาวิเศษเกณะการณนณะด้วยเหตุเป็นไฉนพระนาคเสนจึงวิสัชนาแก้ไขตอบไปว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐลุกขาอันว่าต้นไม้ทั้งหลายอันเกิดมาอสมกาไม่เสมอกันอันเยติติกาต้นอื่นบางต้นขมคืนอันเยกตุกา ต้นอื่นบางต้นเผ็ดร้ายกาดอัญเยกาสายะวาต้นอื่นบางต้นเฟือนฝาดลุกคชาติบางต้นหวานกัสะเห ต, เหตุเหตุการณ์เป็นฉนนะัณบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าลุกคชาติเหล่านี้ เป็นด้วยพืชต่างๆกันพระนาคเสนมีเทระวาจาว่าชั้นใดก็ดีมหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารผู้เป็นมหิศราธิบดีคนทั้งหลายนี้เกิดมาไม่เหมือนกันเพราะกุศลากุศลกรรมกระทำไว้ต่างๆกันสมด้วยพระพุทธดีกาสมเด็จพระพักควันตะบอพิษพุทธสัพพันอยู่เจ้าตรัสไวเชนี้กัมมัสกาสัตตา กัมมัายาธากัมมโยนีกัมมพันธูกัมมปฏิสรณากัมมังสเตวิพัชติยะทิทังฮีนับปณิตตาญาติกระแสพระพุทธดีกาตรัสโปรดไว้ว่าสัตตาอันว่าสัตว์โลกทั้งหลายอันจะเกิดมาในโลกนี้มีลักษณะต่างๆกันโดยประเภทกัมมัสกาเหตุเพราะ ผลกรรมที่ตนได้กระทาไว้กรรมทายาทาบางพวกก็มีกรรมเป็นเชื้อสายกรรมโยนีบางพวกก็มีกรรมเป็นกาเนิดบางพวกก็มีกรรมเป็นเผ่าพงวงศาบางพวกก็มีกรรมเป็นที่พึ่งตกว่ากุศลกรรมและอกุศลกรรมสองจำพวกนี้แบ่งสัตว์ให้เป็นสองจำพวกออกไปให้เป็นหินะจำพวกหนึ่ง ให้เป็นประนีตจำพวกหนึ่งคือแต่งดีแต่งชั่วที่ฝ่ายกุศลก็แต่งให้ดีที่ฝ่ายอากุศลก็แต่งให้ชั่วช้านี่แหละพุทธดีกาโปรดไว้ชนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีส่งฟังก็มีนามพระไทยโสมนาตรัสว่ากัลโลสิสาธุสะพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรแล้วกรรมนากรณะปัญหา เป็นคำรบสี่จบเท่านี้